4. คติการะสูตรว่าด้วยคติการะเทพบุตรคติการะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้ ว, วเล่าวคาถา น, นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเจรูปผู้บังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาเป็นผู้หลุดพ้นสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างได้ข้ามพ้นเปือกตมคือบ่วงความตายที่ใครๆข้ามได้แสนยากและทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้พระติการะเทพบุตรกราบทูลว่าภิกษุสามรูปเหล่านี้คือท่านอุปกะท่านพระคันทะและท่านปุกุสาติ ภิกษุอีกสี่รูปคือท่านพัทธิยะท่านขันทเทวะท่านพหุทันตีและท่านสิงคียะภิกษุเหล่านั้นละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้พระผู้มีพระภาคตรถามว่าท่านผู้ฉลาดมักกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงมานได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมของใครเล่า จึงตัดเครื่องผูกคือพบได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าท่านเหล่านั้นรู้ธรรมของผู้ใดจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้ผู้นั้นมิใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคและนอกจากคําสั่งสอนของพระองค์ท่านเหล่านั้นรู้ธรรมเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้วจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านกล่าววาจาลึกซึ้งที่รู้ได้ยากเข้าใจให้ดีได้ยากท่านรู้ธรรมของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพาลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกสปะพุทธเจ้า เว้นขาจากเมถุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกันกบพระองค์ทั้งเคยเป็นสหายของพระองค์ในการกรนข้าพระองค์รู้จักภิกษุเจรูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะและโทสะแล้วข้าพ้นตันหาที่ร้านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านายช่างหม้อจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละ เมื่อก่อนนั้นท่านเคยเป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแควนเวพระลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นข่าจากเมทุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิ t h ได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับเราทั้งเคยเป็นสหายของเราในการก่อนพระสังคีติกาจาร์กล่าวว่า สหายเก่าทั้งสองผู้เคยอบรมตนมาแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายได้มาพบกันด้วยอาการอย่างนี้คติการะสูตรที่สจบ 5. ชันตุสูตร ว่าด้วยชันตุเทพบุตรข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งภิษุจําจำนวนมากอยู่ในคูดีป่าข้างภูเขาหิ ม, มาพานต์แคว้นโกศเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตกวัดแกวงไม่สำรวมอินทรีย์ครั้นในวันอุโบสถสิบ่ํา ชันตุเทพบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคถาทั้งหลายว่าในการก่อนพวกภิกษุสาวกของพระโคดมเป็นอยู่เรียบง่ายไม่มักมากการแสวงหาบิณฑบาตไม่มักมากที่นอนที่นั่งท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้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 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นชันตุสูตรที่ห้าจบ 6. โรหิตตสะสูตรว่าด้วยโรหิตตสะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถี โรหิตตสะเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถหรือหนอที่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงถึงที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ ด, ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเทพบุตร เราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโรหิตัสะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอาัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตร เราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีแล้วข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตตสะเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านเปรียบได้กับนายขมังธนูมีฤทธ์เหาะได้ความเร็วของข้าพระองค์นั้น เปรียบได้กับนายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้เชี่ยวชาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดีพึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงาตาด้านขวางไปได้โดยไม่ยากฉะนั้นการย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกฉะนั้นความปรารถนาอย่างนี้ว่า เราจักถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดแก่ข้าพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นเพียรพร้อมด้วยความเร็วและการย่างเท้าอย่างนี้เว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยมีอายุร้อยปีดำรงชีพอยู่ได้ตั้งร้อยปี ดำเนินไปได้ตั้งร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ตายเสียก่อนในระหว่างทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอาชจ ร, จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็น พึงถึงได้ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเราไม่กล่าวว่าการที่บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะทำที่สุดแห่งทุกได้อันหนึ่งเราบัญญัติโลก ความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้เองไม่ว่าเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไปและเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกย่อมไม่มีการเปลืองตนจากทุกเพราะเหตุนั้นแหลผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดี ถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลกย่อมไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าโรหิตัสะสูตรที่หจบเจ็ด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 นันทิวิสารสูตรว่าด้วยนันทิวิสารเทพบุตรนันทิวิสารเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าสริระยนต์สี่ล้อมีประตูก้าวประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตม สริระยน์นั้นจักเล่นไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะตัดชนะเชือกหนังตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวซามและเพราะถอนตันหาพร้อมทั้งรากได้สรีระยน์นั้นจักเล่นไปได้อย่างนี้นันทวิสาละสูตรที่8ดจบ สุสีมะสูตรว่าด้วยสุสีมะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอชอบสาหรีบุตรหรือไม่ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลส มักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารกความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตาหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาดจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาน o น์ข้อนี้เป็นอย่างนั้น อานน์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาดจะไม่ชอบสารีบุตรอาโนนสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชําแรกกิเลสมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัด ไม่คลุคลีปรารบความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคําเป็นผู้ทักทวงตําหนิคนทําชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคและท่านพระอานนท์กําลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่สุสิมะเทพบุตร ผู้มีเทพบุตรบริษัทจำนวนมากแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนผ่านไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาส จะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตและถึงตําหนิคนทําชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรเพราะว่าข้าพระองค์เข้าไปหาเทพบุตรบริษัทใดๆก็ได้ยินเสียงพูดอย่างหน้าหูว่าท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิต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 ไม่ใช่คนมีจิตวิปลาดจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรครั้งนั้นเทพบุตรบริสัทธของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกําลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่ามปลื้มปีติเบิ่อบานใจเกิดปีติสมนัตมีรัศมีวันนะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุดแก้วมณีและแก้วไพลทูลอันงดงามตามธรรมชาติ ถูกนายช่างจิรณนยดีแล้วแปดเหลี่ยมวางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่งแสงแพ ร, พรวสุกสกาวอยู่ฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมะเทพบุตรเมื่อสุสิมะเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดปิติสมนัตมีรัศมีวันนะเปล่งปลังปรากฏอยู่ดุจทองแท่งชมพูนุช เป็นของที่บุตรนายช่างทองผู้ขยันใส่เบ้าหลอมไล่มนทินจนสิ้นราคีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแพรวพราวสุกสกาวอยู่ฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสีมะเทพบุตรละถึงมีรัศมีวั น, นะเปล่งปลา่งปรากฏอยู่ดุจ ด, ดาวสุขเมื่ออากาศปลอบโปรง่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูชาตกาล ส่องแสงแพรว์แพรว์สุกสกาวอยู่ในเวลาใกล้รุ่งฉะนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสีมะเทพบุตรเมื่อสุสีมะเทพบุตรกําลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดปิติส ม, มนัตมีรัศมีวันนะเปล่งแปลงปรากฏอยู่ดุจ ด, ดวงอาทิตย์เมื่ออากาศปลอโปรง่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูสาธกาล พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงส่งแสงแพรวพร้าสุกสกาวอยู่ฉะนั้นครั้งนั้นสุสีสมาเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบสงี่ยมฝึกแล้ว มีคุณงามความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญเป็นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบสุสิมะเทพบุตรปรารภท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบสงเยี่ยมฝึกฝนอบรมดีแล้วรอเวลาอยู่ สุสบมะสูตรที่เก้าจบ 10. นานาติธิยะสาวกสูตรว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรธีต่างๆข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขก ร, รุงราชครึ่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทพประบุผู้เป็นสาวกของเดรัจฉ์ต่างๆเป็นจํานวนมากคืออาสมะเทพประบุสหะลีเทพบุตรนิกะเทพบุตรอากตกะเทพบุตรเวตัมพลีเทพบุตรมานวะวคามิยะเทพบุตร มีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วพระเวลุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรอาสมะเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วเลืกล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารพบูรณกัสปะว่าท่านปูรณกัสปะมองไม่เห็นบาปหรือบุญของตน ในเพราะการตัดการฆ่าการโบยการเสื่อมทรัพย์ท่านจึงบอกให้เบาใจเสียสมควรที่จะยกย่องท่านว่าเป็นาศาสดาในโลกนี้ลำดับนั้นสหีเทพประบรุได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารบมัคคิโคสารต่อไปว่าท่านมัคคิโคสารสำรวมตนดีแล้วด้วยการกีดกันบาปด้วยตะบะ และวาจาที่โกให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษผู้จริงเป็นผู้คงที่ไม่ทำบาปแน่นอนลำดับนั้นนิกะเทพบุตรเล่ากล่าวคาถานี้ในสำเนกของพระผู้มีพระภาคปรารบนนโคร น, นาตบุตรต่อไปว่าท่านนิคร น, นาตบุตรเป็นผู้ขี่กันบาปมีปัญญาเครื่องบริหาร เห็นภัยในสังสารวัตรเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยามเปิดเผยสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วเป็นผู้มีหยาบช้าแน่นอนลำดับนั้นอากโกตกะเทพบุตรเลือกล่าวคาถานี้ในสำนนกของพระผู้มีพระภาคปรารบพวกเดรธีต่างๆต่อไปว่าท่านปกกุธะกัจจายณะท่านนิครนนาตบุตรท่านมคคิโคสาร และท่านปุรณกัสปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นครูของหมู่คณะบรรลุความเป็นสมณะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ไกลาจากสัพปรุตแน่นอนลำดับนั้นเวตามพลีเทพบุตรเรียกล่าวตอบอกโกตกะเทพบุตรด้วยคาถาว่าเนือการไหนๆสุนักจิ้งจอกสัตว์เล็กๆชั้นเลวจะแสดงจริตกิริยาให้เสมอราชสีไม่ได้เลย ครูของหมู่คณะเป็นคนเปลยมาพูดคำเท็จมีพฤติกรรมหน้าระแวงสงสัยจะเทียบกับสัตว์ประหดไม่ได้เลยลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าสิงเวตามพริเทพบระหตรแล้วเดื้อกล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยการกีดกันบาปด้วยตะบะรักษาความสงบสงัดติดอยู่ในรูปเพลิดเพลินในเทวโลก สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสั่งสอนโดยชอบเพื่อปรโลกโดยแท้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสตอบมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ารูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าและแม้จะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามทีนะุจิมาร รูปทั้งหมดนั้นท่านก็สรรเสริญแล้ววางดักไว้เหมือนบุคคลใช้เหยื่อล่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานวะคามิยะเทพบุตรเลือกล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารบพระผู้มีพระภาคว่าคนพูดกันว่าบรรดาภูเขาในกรุงราชครื้ภูเขา ว, วิปุละเยี่ยมที่สุด บรรดาภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมพานภูเขาเสตะบรรพศเยี่ยมที่สุดบรรดาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศดวงอาทิตย์เยี่ยมที่สุดบรรดาห้วงน้ําทั้งหลายสมุดเยี่ยมที่สุดบรรดาดวงดาวทั้งหลายดวงจันทรเยี่ยมที่สุดบัณฑิตกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเลิศ ก, กว่ามนุษย์และเทวดานานาติทิยสาวกสูตรที่สิบ นานาติทยวัคที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ศสิวะสูตร 2. เขมาสูตร 3. เสรีสูตร 4. คติการะสูตร 5. ชันตุสูตร 6. โรหิตัสสะสูตร 7. นันทสูตร 8. นันทิวิสาละสูตร 9. สุสีมาสูตร 10. นาน า, นาติทิยสาวกะสูตรเทวปตะสังยุตจบปริบูรณ์ โกสละสังยุตหนึ่งปฐมมวัคหมวดที่หนึ่งหนึ่งทหาราสูตรว่าด้วยสิ่งเล็กน้อยเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โคศล ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่ ง, นงหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคโดมผู้เจริญทรงยืนยันหรือไม่ว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิษ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 เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนพระโคโดมผู้เจริญยังทรงเป็นหนุ่มโดยพระชาติและยังทรงเป็นผู้ใหม่โดยบรรพชาทำไมจึงกล้ายืนยันตนเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปิฏ สิ่งสีอย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสิ่ง4ีอย่างอะไรบ้างคือ 1. กษัตริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์องูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็ก 3. ไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย 4. ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุม่ม สิ่งสี่อย่างนี่แลไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณาพาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่านรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกษัตริย์ผู้ถึงพร้อมด้วยชาติตระกูลผู้เป็นอภิชาติผู้มียศว่ายังทรงพระเยา่าเพราะพระองค์ได้เสวยราชสมบัติแล้ว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 พึงฉกกรชายหญิงผู้เขราในการบางคราวฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นงูนั้นนรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมากลุกเป็นเปลวไม่ดำเป็นทางว่าเล็กน้อยเพราะไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็กลายเป็นกองไฟใหญ่พึงลามไม่ชายหญิงผู้เขาในการบางคราว ฉะนั้นบุคคลเมื่อจะรักษาชีวิตของตนพึงหลีกเลี่ยงการดูถูกดูหมิ่นไฟนั้นอันหนึ่งป่าใดที่ถูกไฟไหม้จนดำแล้วเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปพันหญ้าหรือต้นไม้ยังงอกขึ้นที่ป่านั้นได้ส่วนผู้ใดถูกเดชภิกษุผู้มีศีลแผดเผาบุตรธิดาและปะศุสัตว์ของผู้นั้นย่อมพินาศทายาทของเขาก็ย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดก เขาเป็นผู้ไม่มีเครือญาติไม่มีทายาิย่อมเป็นเหมือนตานยอดด้วนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นกษัตริย์ผู้มียศงูไฟและภิกษุผู้มีศีลว่าเป็นประโยชน์แก่ตนพึงประพฤติโดยชอบทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าปเสิทิโกศลเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 2. ปุริสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บุรุษเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสเสติโกสนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเหล่าไหนเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาปพิฏฐทำสามประการเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่พาสุกทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งโลภธรรมธรรมคือโลภ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 เกิดขึ้นภายในตนย่อมทําร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวซามเหมือนขุยไผ่กมจัดต้นไผ่ฉะนั้นปุริสัทสูตรที่สองจบ 3. ชรามระสูตร ว่าด้วยชราและมรณะเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระเจ้าเปเสนทิโกสนประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนเกิดมาแล้วที่พ้นจากชราและมรณะมีบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตระตอบว่ามหาะพิต คนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชราและมรณะไม่มีเลยแม้ขติยะมหาศารซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และทั ญ, ญชาติมากมายก็ไม่พ้นจากชราและมรณะแม้พราหมณ์มหาศาลแม้ขหะบดีมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธั ญ, ญชาติมากมายก็ไม่พ้นจากชราและมรณะแม้ภิกษุทุกรูปซึ่งเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่โจบพรมจันทร์ทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้วปร่งภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบร่างกายนี้แม้ของพระอรหันตเหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดทิ้งเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าราชรสอันวิจิตย่อมชำรุดแม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นจึงรู้กันได้ชรามรณสูตรที่สจบสี 4. ปิยะสูตรว่าด้วยผู้รักตนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตนข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าก็ชนเหล่าใดประพฤติกายทุจริต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 อนนอะไรเล่าจะติดตามเขาไปดูดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นสัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้ทำกรรมอันใดคือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแหลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำเอาบุญและบาปนั้นไปได้อนหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปดูดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดี